أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ ن ت ا ل ع ا ل ِ م ا ل ح ك ي م ر ب ِ ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و َ أ ه ل ا ل ع ق د ة م ن ل س ا ن ي ي َ ق ه و ْ ق و ل ي اللَّهُمْ أ َ ل ل ه م ْ ف َ ع ن ا ب م ا ع ل م ت ن ا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أفسنا وإلا متوكلنا ترحمنا لنا كوننا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة نحي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الحمد لله เรายนดอน رجب นะครับวันนี้ก็วันที่วันที่เจสัปดาห์นึงแล้ว เวลาที่เราจะเข้าได้ตอนรับเดือน ر ม ض ا ن ก็ใกล้เข้ามาอัลฮัมดุลิลลาห์ฟุตอรตาาาตาละลลลอฮฺซุลตานฮฺวาาลาและขออุทิให้เราได้มีชีวิตอยู่จนถึงเดือนอันประเสริฐคือเดือน ر ม ض ا ن ด้วยสุขภาพที่ดีด้วยความพร้อมนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งกําลังทรัพย์ หรือความพร้อมทั้งหมดอื่นๆในการที่จะต้อนรับเดือนรม ض อนปีนี้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับด้วยอัลกุรอานด้วยการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการที่จะมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานในช่วงเดือนที่เป็นเดือนของอัลกุรอานโดยตรง شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن นะครับใครที่ยังไม่เริ่มจะทำความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอาน เริ่มต้นได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่มีภารกิจต้องชดใช้การถือศีลอดนะครับโดยเฉพาะบรรดามุสลิมทั้งหลายก็เริ่มได้แล้วนะครับที่จะถือศีลอดหรือว่าถือบวชชดใช้นะครับเพราะว่านี่เป็นภารกิจเป็นหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถที่จะละเลยได้อิฆาอัลลอฮฺสุบฮานะตะแล้ววันนี้เรายังอยู่ในอไอบะดุลรหมาน กลุ่มอายะที่พูดถึงคุณลักษณะของอิบราฮิมจากสุรทูลฟุรคอนนะครับตั้งแต่อายะที่ห1สบเอเป็นต้นมานะครับเราอ่านไปแล้วจนถึงจนถึงอายะที่เท่าไหร่เล ย, อ, ยอ่าฮะ เราอ่านไปแล้วจนถึงอายัด ท, ที่หกสิบสี่แล้วนะวันนี้จะเริ่มหกสิบห้ากสิบสี่กับหกิบ้าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มจากอายัหกสิห้าเป็นต้นไปซูเราตุลโศกขอนอายาทที่หกสิบห้าครับ <c oughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم อินน่าดับฮาคานกรามอินน่าสะอْตมุตตรอว์และมุค م า ا والذين إذا فقو وا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قوام وال الذين لا يدعون مع الله إله ا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلّا بالحق ولا ي ز ن و ن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثامًا ย ض ي งยากเ ا ل ือเ ي ล้าเกล่ำในวั ل ขึ้นศีลกิจและจะอยู่ในนั้นตลอด อายะที ok han, yeah, ่65เนี j j i, kan, ่ยจริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับอายะที่64 64ก่อนหน้านั้นอัลลอฮฺตาลาตรัสว่าอย่างไรรดาคนที่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืนด้วยการเคารพพักดีอิบาดาห์ทั้อัลลอฮฺซุบฮานฺวะตะกลาซุจจัดันซุจจัดันก็คือสุ j u ดสุ j u ดอย่างมาก ใช้ชีวิตด้วยการสุญูต่ออัลลอฮฺวาคิยามากิยามาก็คือการลุกขึ้นยืนการยืนละหมาัรนเองเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของอิบาดุราฮิมเนี่ยกลางวันเราบอกไปแล้วนะกลางวันอัละะลอลาก็บอกไปแล้วกลางวันเนี่ยเริ่มต้นด้วยกลางวันก่อนอัลลอฮฺีนายามชูนะอัลอฮร์ิฮานะกลางวันก็คือเคลื่อนไหวด้วยการเดินด้วยการไปพบปะผู้คนด้วยการพูดคุยสนทนาเจรจา อาชีพงานต่างๆถ้าต้องไปเจอกับผู้คนหลายๆคนแล้วมีประเด็นต่างๆอะไรที่ต้องโต้เถียงกันก็ใช้มีความสุภาพมีมารยาทมารยาทในการเดินมารยาทในการพูดพอตกกลางคืนไม่เคลื่อนไหวละนะไม่ใช่เดินไปโน่นไปนี่ไม่มีละความเคลื่อนไหวในกลางคืนกลางคืนก็คือเข้าหาอัลลอฮฺอย่าบีตู้นะหรือบบีเห็นใช้กลางคืนเพื่ออัลลอฮฺ สุจดนาวิญญา a อ l a h u akbar ทำยังไงให้เราได้เป็นได้มีเศษเสี้ยวหนึ่งของคนณลักษณะของการใช้ชีวิตอยู่อ่ยาอยลมุซัมมิลุมิลลอลาาลลในสุราอัลมุซัมมิลที่เราเรียนไปแล้วนะครับวิถีชีวิตของท่านนาบีกับบรรดาสหฮาบะในสมัยอดีตในสมัยช่วงแรกแรกของอิสลามว a j ิบต้องลุกขึ้นมากียามุลไล ท่านนาบิเกียมลุลไลในสภาพที่เป็นคำสั่งวาจิบนะครับถึงเวลาหนึ่งปีเพราะฉะนั้นการเกียร์มลุลไลเนี่ยจึงมีอิทธิพลมีอนิสงส์มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้เราพลาดหลายๆอย่างที่เป็นความดีงามที่เราแสวงหาจากการที่เราใช้กลางคืนไม่เป็นประโยชน์ ถ้าหากว่าอย่างน้อยสิ่งที่น่ากลัวในยุคปัจจุบันก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ใช้กลางคืนหรือไม่ได้เกียมนเลยเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่เท่ากับคนที่ใช้กลางคืนในหนทางที่ผิดในหนทางที่เป็นไม้เสียต่ออัาาลลอฮฺสุบไบาะตะอัลเละห์อัลกียาุบิลลาฮฺมินตะเลกละฮาวลว่าวะลาหุวะตะอัลลาบิลลาฮตรงกันข้ามกันเลย น, นะครับกับวิถีชีวิตของคนที่เป็นอิบาดูรฮ์มาเพราะฉะนั้น คนที่เป็นอิบาดุรรฮ์มานเราฝากคุณลักษณะนี้ไปคุณลักษณะหนึ่งพยายามนะครับให้มีเศษเสี้ยวหนึ่งที่เราได้ได้เข้าเฝ้า Allah سبحانه าละ ى, นะตั้งเจตนาอย่างน้อยเนีย่ยผมไม่อยากจะพูดว่าอย่างน้อยพูดอย่างน้อยมากเลยเพื่อนโดยเฉพาะเดือนระมดอน <c oughs> เดือนรมดอนที่จะมาถึงเนี่ยเราเราได้เคยรับมาแล้วความรู้สึกแบบนั้น ความที่เราความรู้สึกที่เราได้ลุกขึ้นมากลางคืนได้ขึ้นมาสิเกตต่ออัลลอฮ์ได้ขึ้นมาละหมาดอิเตะ iter, ละหมาดแล้วขอดูอา้าจากอัลลอฮ์สำหรับอะไรนะช่วยแลกลางคืนมีความสุขไหมถ้ารู้สึกว่าบรรยากาศของการที่เราลุกขึ้นมากลางคืนทํำอิบราดต่ออัลลอฮ์อย่างนั้นมีความสุขเนี่ยเราต้องพยายามเอาก๊อปปี้วิถีชีวิตแบบรมฎอนเนี่ยมาใช้ในช่วงคืนอื่นๆด้วยนะครับอัลลอฮ์มูสลิม Allah يعيننا Allah ما يكتب لنا التوفيق ทีนี้หกสิบห้าหลังจากที่ลุกขึ้นมาเกยียรมมลัยพร้อมๆกันนั้นพวบเขามีด ع อาอันนีไ้ไหมมันมันเกี่ยวข้องกันละหมาดเสร็จปุ๊บเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอดูอาก็คือช่วงท้ายของกลางคืนอย่าลืมดูานี้ถ้าใครตื่นขึ้นมาละหมาดเดือตื่นขึ้นมาช่วงท้ายท้ายของกลางคืนเนี่ยดูานี้สําคัญดูานี้ว่าอย่างไง وال ذ ي ن يقولون ربناصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كنقرم นะดูอ่ะคนที่กล่าวดูอ่ะว่า ا อัลลอฮ์โอพระผู้อภิบันของพวกเราอิสริฟ عنا عذاب جهنم โปรดให้เราพ้นให้เราเนี่ยอิสริฟ ع ا โปรด ทำให้อาสาบของนรกยันนำเนี่ยเพราะพ้นไปจากตัวเราได้เจออย่าให้เราต้องเข้าไปอยู่ในนรกเลย <c oughs> นี่คือความหมายของมันนะครับเอลสรตฟา น, น์นะก็คือป้องกันให้เราพ้นไปจากนรกยันนำอย่าให้เจออย่าให้เจอนาทีเดียวก็ไม่เอาแป๊บเดียวก็ไม่เอายันนำนี้เราไม่เอาจะกี่นานแค่ไหนเราก็ไม่เอาอัลลอฮฺอัลลอฮ อินนาอินนาอาบะฮค่ลร่มะเพราะว่าอาบของนรกจะหนมนั้นเป็นสิ่งที่กะรอมเนี่ยในนี้เขาแปลว่าเพราะการลงโทษของมันคือการทรมานอันรุนแรงยิง่งกะรอมเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงมันไม่สามารถที่จะหลุดไปจากเราเหมือนนี่กะร่มเนี่ยจริงๆแล้วมาจากคำเดียวกันกับคำว่าคนติดหนี้ นรกย a ั a น a m เนี่ยเวลาที่มันลงโทษเวลาที่มันกัดกินคนที่ต้องลงโทษในมันเนี่ยคือมันไม่มีเวลาพักอะ่ะเข้าใจไหมครับมันทำงานตลอดไม่ใช่ว่าเครื่องร้อนหยุดพักนิดหนึ่งไม่มีอในนรกย a h a น a m ไม่มีเวลาพักมนุษย์ไม่มีเวลาพักจากการโดนลงโทษจากไฟนรก มูละซีมันกอร่ามันก็คือมูละซีมันจะไปไหน ก, ก็มีอาสาบติดตัวไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความหมายของมันไม่มีเวลาสักลมหายใจเดียวที่คุณจะได้หยุดพักจากการลงโทษของไฟนรกอัลลอฮฺวาเลียลลอฮฺเพราะฉะนั้นมันจินตนาการไม่ออกว่ามันคืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือขอให้พ้น มีมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องทํากับนรกก็คือขอให้พ้นไปจากมันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบรรดาคนที่เป็นอีบาดุรัชมาเนี่ยพวกเขาไม่กระยิมยิ้มย่มยอมในขณะที่ตัวเองลุกขึ้นมากียรติมลัยตลอดคืนแล้วเนี่ยยังไม่ไว้ใจไม่ใช่ว่าโอ้เราลุกขึ้นมานละหมาตเกียรติมลัยแล้วอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์ฉันละหมาตกียรติมลัยแล้วฉันรอดแล้วฉันไม่อะไรไม่ไม่มี นิสัยแบบนี้ไม่มีอิบาตุรักมันจะไม่มีนิสัยแบบนี้ตัวเองละหมาดแล้วทําอิบัตด่าต่อละตละลายเยอะแล้วแต่ยังไม่ไวายต้องไปขอดุอการจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺอีกไม่รับประกันว่าตัวเองจะรอดพ้นอัลลอฮฺอักบาร์นี่เขาอิบัตได้เยอะขนาดนี้แต่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยจากนรกมองมาที่ตัวเรารู้สึกยังไง ไม่ได้ทาอิบด์อะไรเลยแต่รู้สึกว่าตัวเองชวลฮอลลวตอิลลับลละจะเป็นอิบาดุร์มานได้หรือเปล่าเนี่ยต้องปรับพอใจกันเยอะมากให้เรากลัวนรกทำยังไงฟัตตะคุนนารฟัตตุนนารลีอุดดตลิลาฟิรนอัลลอฮตะอลาบอกว่าให้เรากลัวนรกที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้กับคนที่ปฏิเสธสรท้าต่อพระองค์ l a h ทรลลอฮ์ตะอลาเพราะฉะนั้น أستغفر الله وأتوب إليه นี ca, ่มี تفسير นี่ของ الإمام الشوكاني ท่านบอกว่ายังไงไอ้ฮุมมะตัอวตุ๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋นี่๋วตัาวตั๋วตัวตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตา๋วตย๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตัวตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋วตั๋ตับวั๋ ไม่ใช่เป็นการคลางแคลงสงสัยนะแต่มีความรู้สึกเป็นห่วงยังเป็นห่วงตัวเองอยู่มุมินต้องเป็นห่วงตัวเองผู้ศรัทธาต้องเป็นห่วงตัวเองว่าจะปลอดภัยจากไฟนรกหรือเปล่าคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยจากไฟนรกน่าจะเป็นคนคนแรกเลยที่ไม่ปลอดภัยอสัสตอ ร, รลอัลจูบลเราต้องกลัวแต่ต้องมุชฟิูนต้องเป็นห่วงตัวเอง หลายคนเป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่เคยเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นแล้วเกินกลัวว่าคนอื่นจะทําผิด ท, ทําบาปทําอะไรแต่บาปของตัวเองเราไม่เคยเป็นห่วงไม่ได้นรกเนี่ยไฟนรกเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่ a l l a ต Taala สั่งว่าจงดูแลอะไรนะยาอุัลลัลบิอามานุอู่อัลฟุตซักุมวะอัลลิคมน่ารับรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้อง เริ่มด้วยตัวเราเองก่อนจงปกป้องอัมฟุสกลุลจงปกป้องตัวของเจ้าเองก่อนแล้วอาราะอาราก็บอกว่าโอ้อาลีกุมหลังจากนั้นตามมาด้วยครอบครัวเป็นห่วงครอบครัวไหมกลัวครอบครัวจะเป็นเจ้านรกไหมเป็นห่วงแต่ต้องเป็นห่วงตัวเองก่อนตัวเองต้องมาก่อนต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนด้วยนะครับนี่คือความสําคัญที่เราพูดถึงประเด็นนี้นะครับเรื่องของนรกเนี่ย เป็นเรื่องที่เราทำเล่นๆไม่ได้ท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะัลลัมมีดูอามากมายนะคงจะไม่สอนดูอาเป็นกิจจะและเป็นเป็นการเฉพาะโน่นนี่นั่นแล้วกับพวกเราเอาง่ายๆเลยดูอามเกี่ยวกับนรกนี่ง่ายๆเลยอย่าเอาลอขอให้ฉันพน้นจากนรกแค่นี้ว่กินาอัลจาบันน่ว่กินาอัลาบันน่าอ่ารบบันาอัตินาฟิดนีฮนฟิลอาฟิลอาระฮนวกินาอาบนานั่นแหละดวอานี้เหละนะครับ อินนอินนาอินน่ละหลุดไปจากตานะวันนี้ไม่มีตัวช่วย <c oughs> นี่ละอลกอออกมหมายถึงว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คืออยู่กับคนที่อยู่เป็นชาวนรกเนี่ยตลอดไม่มีเวลาหยุดพักเลย ไม่มีเลย و ا ل า ي ا د ة بالله من ذلك รั้ น, นะ إنها ม, มุ ء ت م ก ت ق ر ً ا ومقامات ที่ละนรับนะจะหันนำเป็นที่อยู่ที่เลวร้ายที่สุด مستقر مقام สองคำแปลว่าที่อยู่หมดเลยแตกต่างกันตรงไหนมีความทัศนะที่แตกต่างกันที่คล้ากกันระหว่างอละะัลลอฮบางคนบอกว่ามุ مستقر เนี่ยหมายถึง ไม่อยู่แป๊บเดียวก็ไม่เอามมกอมอยู่ตลอดการบางคนบอกว่ามีความแตกต่างกันหรือบางคนก็บอกว่านักติดเบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วความหมายอันเดียวกันมุสตะกอรกับมมกอมเนี่ยความหมายเดียวกันถ้าเราจะเอาตามทัศนะที่บอกว่ามีความแตกต่างกันในเชิงความหมายเนี่ยมุสตะกรก็คือมุสตะกอรเนี่ย อาจจะสลับกันก็ได้มสตะก็ต์นี่หมยถึงอยู่ถาวรในขณะที่หมคพอมากก็คืออยู่แป๊บเดียวมีไหมคนที่ต้องอยู่ในนรกแป๊บเดียวมีคนที่ต้องอยู่ถาวรก็มีทั้งสองอย่างนี่ไม่เอาทั้งสิ้นครับไม่เอาเราไม่อยากเข้านารกตั้งแต่แรกบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเออไม่เป็นไรเข้านารกไปสักพักหนึ่งเหมือนจะไปทัวร์ <laughs> แวะพักในรกก่อนที่จะเข้าสวรรค์อัสสลามิลลอฮฺมีด้วยนะคนบางคนเข้าใจอย่างนี้ไงเฮ้ยมุสลิมยังไงยังไงก็ได้เข้าสวรรค์แล้วถ้าต้องเข้านรกอหอไม่เป็นไรเข้านรกแป๊บเดียวอัลเลาะห์อิลลัลลอฮฺอัลเลาะอิลลัลลอฮฺวเหรนนรกแป๊บเดียวคนที่ถูกลงโทษในนรกเบาที่สุดอาการของคนที่ถูกลงโทษในไฟนรกที่เบาที่สุดคืออะไรครับ การลงโทษในนรกที่เบาที่สุดหนักที่สุดก็คืออยู่ในก้นลึกชั้นสุดท้ายเลยอยู่ข้างล่างสุดเลยซึ่งเป็นพวกมุนาฟิกีนพวกมุนาฟิกีต้องอยู่นรกชั้นสุ ด, ดอิ น, านนาัลมุนาฟิกีฟิดดาร์กิลอัฟฟลเมนน่าบันดมุนาฟิกีพวกสับปลับพวกที่อิมานจำปลอมทําตัวเป็นมุสลิมแต่ข้างในนิเกลียดเกลียดโกรอิสลามแค้นอิสลาพวกนี้จะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดอันนี้คือไม่ต้องอธิบายขยายความแล้วโอ้โห หนักหนาแค่ไหนแต่คนที่รับการลงโทษเบาที่สุดไม่ต้องอยู่ชั้นต่ําสุดหรอกครับแค่ใส่รองเท้าจับไฟนรกแค่นั้นเองไม่ต้องอยู่ในไฟนะไม่ต้องไปอยู่แวกว่ายอยู่ในไฟนรกหรอกไม่ต้องแค่เอารองเท้ามาใส่ให้ซึ่งเป็นรองเท้าจากไฟนรกใส่ที่เท้า สมองเดือดอาซาบที่เบาที่สุดแล้วเราบอกว่าอยู่ในนรกสักพักหนึ่งตอนจะเข้าสวรรค์ลาฮาวลวลาหัวใอลลบิลลไม่ได้ไม่มีทางเด็ดขาดที่เราจะทนตอนนรกต่อสภาพในนรกัลกียาบุบิลลฮมินดลิลาฮาวาวลาัวอลลบิลลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องกลัวในชีวิตของเรา มีความกลัวเยอะชีวิตของเราเรากลัวเยอะมากนะฮะกลัวความยากจนกลัวไม่มีอะไรกลัวนู่นนี่นั่นกลัวกลัวเยอะแยะไปหมดคิดว่าอะไรที่เราควรต้องกลัวเป็นสิ่งแรกไม่ใช่ไม่หลังจากที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์แต่เราพูดถึงสิ่งที่เรากลัวว่าจะต้องประสบเนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้วครับที่น่ากลัวมากไปกว่าการที่จะต้องลงโทษ ในไฟนรกขอ Allah s u แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาอิบานุรห์มานรู้ดีพราเขาก็เลยต้องขออุทธรนะุทธนี้เราเอาไปใช้ได้เลยเวลาที่เรามีความรู้สึกหัวใจของเรารู้สึกกลัวรู้สึกนะครับพูดถึงนรกแล้วรู้สึกกลัวขอดุอานี้รัอบะนสริฟนนอับาจฮันนัมอินนะอัลกบฮกานอกรอมอินนาซาต์มุสตักรรม و م ق า อัลลอฮฺอาบบันี่คือวิถีชีวิตของอิบราฮิมในเวลากลางคืนนะครับเกียรมุลไลด์ดอาทำอิบัตต์ต่ออัลลอฮฺสุภาวตอัลลถ้าไม่สามารถเกียรมุลไลได้มากมากอย่างน้อยก็ดูานี้ก็อย่าลืมก็แล้วกันดอานี้ไม่จําเป็นต้องอ่านหลังจากเกียรตมุลไลไม่ใช่นะดอานี้สามารถอ่านตอนไหนก็ได้อ่านกลางคืนก็ได้อ่านกลางวันก็ได้อ่านในสูญูดก็ได้อ่านในละมาสซูนัดตอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอย่างน้อยที่สุดตื่นขึ้นมา ถ้าเราตื่นขึ้นมากลางดึกหรือตื่นขึ้นมาตอนจะไปละหมาดซุบก็อ่ลองอ่านดวอานี้ก็ไม่มีปัญหาไม่ได้จํากัดเวลาจําเพาะเจาะจงว่าต้องอ่านเวลาไหนเวลาไหนแต่ว่าการที่เราอ่านในเวลากลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลของมันความอินความฟินความได้อารมณ์ร่วมกับความรู้สึกหัวใจของเราเนี่ยมันเข้าถึงดวอาแบบนี้ได้ดีกว่าเวลาที่เราละหมาดคนเดียวใน ในในอะไรเขาเรียกนะในบรรยากาศมืดมืดมูนาจที่เราได้เข้าเฝ้าร้องสุภาธรรมานะมันแตกต่างกันเยอะนีกับการที่เรามาละหมาดอย่างเงี้ยไฟสว่างสว่างคนเยอะเยอะกับการที่เราละหมาดคนเดียวเนี่ยโอ้โหมันต่างกันเยอะมากความโคโชะมันก็ต่างกันเยอะความเข้าถึงความรู้สึกที่เราอยากจะเข้าหาละมันก็ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยแกะมุลไทเลยเนี่ยอยากจะเรียกร้อง อยากจะเรียกร้องเชิญชวนนะครับให้ลองดูนะครับไม่จําเป็นว่านะถ้าไม่ไหวทุกคืนก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะให้ลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนานๆทีแล้วแต่เราจัดการของเราเองว่าเราสะดวกแบบไหนแต่บอกว่านี่แหละคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นบ้าของ Allah สงฆานวัตตะอะไรอย่างแท้จริง อ, อ่ะอันต่อไปนะกี่คุณลักษณะแล้วนะสองแล้วสามสามกับ دعاء เมื่อกี้อันต่อไป وال الذين إذا أمضو لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قوامة นะครับน no ่าแปลกไหมอิบะดุลราะมานตอนแรกเราบอกว่าอัลลอฮฺเริ่มต้นด้วยคุณลักษณะการเดินซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเริ่มต้นด้วยการเดิน หลังจากนั้นค่อยตามด้วยการทำอามลอิบดะห์มารอบนี้มาอีกเรื่องหนึ่งแล้วอิบาดุลรหมานเกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายทรัพย์สินยะลอคือคุณจะเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยคุณอยู่แบบซอมซ่ออยู่แบบไม่มีอะไรจะกินอยู่แบบไม่ทำมาหากินทำแต่อิบาดัห์อย่างเดียว ใช่หรือคําตอบคือไม่ใช่อิบาดุรรฮ์มันเนี่ยดูอายักนี้เลยอีเดออัลฟกักูเวลาที่พวกเขาใช้ใจ่ายเป็นยังไงลลมยูซรีฟูแสดงว่าต้องมีสิต้องมีให้ใช้ใจ่ายแล้วมีให้ใช้ใจ่ายทําอะไรอ่ะก็ต้องออกแรงต้องไปหางานทำเพราะฉะนั้นไอบาดุรรฮ์มานไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆแต่เป็นคนที่ไปทํามาหา เลี้ยงอาชีพเลี้ยงชีพนะครับาริสกีอัล l a ีน่าอันกอลัมยูสริฟูลัมยุสริฟูก็คือไม่สุรุยสุรายวะลัมยคตูรและไม่ตรณีทีเหนียวสองฝั่งของการใช้จ่ายเนี่ยมันมีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือใช้มีเท่าไหร่ใช้จนหมดหรือใช้จนเกินตัวอันนี้เาเรียกว่าอัลอิสราฟ ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งยาคตูรอัลอิคตาร์ก็คือไม่ยอมใช้มีเยอะเข้ามาเข้ามาแต่ว่าไม่ยอมออกเลยไม่ยอมใช้เลยละอีไละอะอัอาญต์นี้กําลังสอนเราเรื่องการเป็นสายกลางในแง่ของการของการใช้ใจ่ายอัต่ว่าสุดอยู่ตรงกลางวกากนอะไนนาเจลิกะเพาว่ามาอยู่ระหว่างสุรุยสุไรและ อะไรนะตรณีทีเนน่วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดไหนถึงเรียกว่าสุริสุราชฮะไม่เหมือนกันสำหรับบางคนนะบางคนก็บอกเวลาเวลาจัดเวลาเวล า, เวลากินอาหารทีนึงหมดไปสองสามพันะแต่บางคนยี่สิบบาทก็รู้แล้วสองร้อยก็รู้แล้ว แล้วตกลงเราจะบอกว่าบางคนนะบางคนยี่สิบาทเนี่ยอาจจะสุรุ่ยสุรายแต่บางคนกินครั้งละสองพันอาจจะไม่ได้สุรุ่ยสุรายก็ได้ยังไงเพราะว่าไอคนที่กินมื้อละสองพันเนี่ยเฮ้ยในกระเป๋ามันมีสองล้านอ่ะเข้าใจไหมในขณะที่คนกินละคนกินมื้อละสองร้อยในกระเป๋าตัวเองมีอยู่แค่ มีอยู่แค่สองสองอไรสองสลึเห็น <c oughs> ไหมมันต่างกันเพราะฉะนั้นดูที่ตัวบุคคลต้องดูที่ตัวบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นมีกฎเกณฑ์การตับเซฟเนี่ยเราจะต้องดูการตัฟเซฟของบันดาวลามะเราจเร า, เราจะเข้าใจง่ายๆนะครับนะมาดูตัฟเซฟบางส่วนที่เขาบอกว่าอะไรคือความสุรุ่ยสุรายมาดูกันเนี่ยอัลดาสบอกว่าอย่างไงท่านบอกว่า <ت ص في ق> قال النحاس ومن พัสว่ามันว ي ามันอัพสัน ن ้าว م ลในมีงน์ล้อ ا ์ ه ันนั้น و นอ ا มสักฟ م ไกร์ท้าอ ا ติลาฮีฟะฮ์ว ا ลอิสใครก็ตามที่ใช้จ่ายในหนทาง ที่ไม่ใช่หนทางของล่องสุภาณวตาลแม้ว่าจะบาทเดียวครึ่งบาทสลึงสองสลึงถ้าหากว่าเป็นการใช้ใจ่ายในหนทางที่อรรถตาล ะ, ละไม่พอใจนั่นก็ถือว่าสุรุ่ยสุรายแล้วไม่จาเป็นว่าต้องหมดเป็นพันหมดเป็นหมื่นหมดเป็นแสนไม่ใช่นะถ้าสมมุติว่า บาทสองบาทสิบบาทร้อยบา ท, 100, บาทแต่ถ้าเป็นการใช้ใจ่ายในหนทางที่าอัลตาระไม่พอใจก็ถือว่าเป็นซุลัซุลัเป็นการบาเรตเป็นการอิสรอาเพราะอาัลาต า, าลาไม่ได้สั่งให้เราใช้ใจ่ายในหนทางแบบนี้ถ้ามันไม่ก่อให้เกิดการตออาตตรอัลสุพาอัลตาระหรืาอาาไม่เป็นอย่างมากทคืออย่างนั้นคือต้องดูเกณฑ์ว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปเนี่ยถ้าสมมุติ มันอยู่ในขอบเขตที่ไม่บาปโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่บาปไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นล้ำเขตไปที่เป็นการใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่มันเป็นบาปแน่นอนว่านิดเดียวก็ถือว่าเป็นการสรุยุร้ยได้อัลลยฮฺราเบลลาห์ดุลดาละแล้วมีใครบ้างที่ไม่โดนข้อหานี้อัสซาฟุลลอฮฺอะตูเบอีเละนะในขณะที่การตรรงทีเนี่นยหมายถึงอะไร ว man อัมฟัคว่าว m อัมเศะังตา่ัติ์ท์ละฟะวัลอัตตัใครก็ตามที่ไม่ยอมใช้ใจ่ายในหนทางของลอร์ษูปอานาตอัละนะครับสิ่งที่เป็นวาจิบจัาการสิ่งที่เป็นสุนัตการสะดัก้อทั่วๆไปการอ่าสิ่งที่เป็นนะฟัก้อให้กับครอบครัวให้กับอะไรพวกนี้นะครับที่เราจําเป็นจะต้องเลี้ยงดูถ้าสมมติไม่ยอม ไม่ยอมใช้ใจในสิ่งที่เป็นคําสั่งของ Allah Subhanahuwataala นั่นแหละคือความตรณีทีเหนียวแต่ถ้ามันเป็นก่อนต่ออัลลอฮ์อย่างการซาดะกะอย่างนี้การซาดะกะนะถ้าเป็นการต่ออัลลอฮ์ Subhanahuwataala เนี่ยมากจ่ายมากก็ยังไม่ถือว่าเป็นสุรุ่ยสุรายนอกจากคนแต่ว่าบางทีอุลามะเองเขาก็อธิบายนะบางครั้ง การบริจาคสดาโก้ก็ここอาจจะเป็นการบราซิยได้เป็นการเกินขอบเขตได้ถ้าหากว่ามันเกินกําลังในสมัยอดีตสมัยของท่านนาบีสมัยของสาบะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อบูบักเวลาที่ท่านมาบริจาคเนี่ยหอบเงินหอบสมบัติมาหมดเลยท่านนาบีครับสดาโก้ของอบูบักในขณะที่ของอีกคนหนึ่งเอามานิดเดียวเอามาให้ท่านนาบีท่านนาบีไม่รับบอกไม่เอาไม่รับ คือน้อยกว่าข อ, อบูบักเอามาเหมือนกันแต่ว่าท่านนาบีไม่รับเพราะอะไรท่านนาบีรู้ว่าคนนี้เอามาจนหมดแต่พอพอสดากก็หมดแล้วตัวเองไปทำอะไรตัวเองไปขอทานตัวเองไปไปตรงนูง้นตรงนี้จะสร้างความลำบากให้กับคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นไม่ได้สอดากก็เองก็ต้องดูสภาพของเราด้วยว่าเราหลังจากที่เราสอดากก็ไปแล้วเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกินขอบเขตไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คืออิสลามนะครับใช้จ่ายปกติใช้จ่าย ใ, ในการซาดะก็ที่เป็นที่เราต้องการผลบุญบริหารให้ดีพยายามบริหารให้เป็นให้มันอยู่เนี่ยอยู่ตามอายัดนี้พูดถึงวนวกาเนใบนาแดริก า, ากปวาวมาจะบริหารยังไงผมว่าอายัด น, นี้เป็นอายัดที่ชี้ชัดมากว่ามุสลิมต้องเรียนรู้การบริหาร การเงินมุสลิมต้องเรียนรู้กรารบริหารการเงินหนึ่งในจำนวนรูปคนอิสลามทั้ง5ประการคือการจ่าย Zakat จ, จ่าย z a k สองจากกาุาเปอเซเหมือนกับอิสลามต้องการบอกให้เราทุกคนเนี่ยเข้าใจว่า อ, าอการเงินที่คุณได้เงินมาไรายได้ที่คุณได้มาเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยว่าได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ต้องทําบัญชี เฮ้ม <Hey>, mm ุสลิมต้องเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยพระสุดท้ายคุณต้องใจสกาดอ่ะถ้าคุณไม่ทําอ่ะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วนึ่งเก็บนึงมาตั้งแต่เท่าไหร่เมื่อไหร่อะไรยังไงครบปีหรือยังซึ่งไอไอไ อ, เ, อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการการเงินอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มุสลิมต้องเอาใจใส่เราจะบอกว่าเราไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องแบบไม่ใช่เลยอิสลามไม่ได้บอกอย่างนั้นเลย เหมือนเป็นการชี้อาจจะเป็นนัยยะอาจจะเป็นโดยตรงก็แล้วแต่เราจะเข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของอิบาราฮิมต้องรู้จักบริหารการใช้จ่ายรายได้ของคุณแล้วใช้ให้มันอยู่บนเส้นทางที่ไม่เกินเลยไม่เกินเลยจนเลยเถิดไปและไม่ตรรกะเดียวไม่เคย ม, มีในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์ไม่เคยสรับก็อะไรเลยเนี่ยไม่ได้มุสลิมเนี่ยต้องเราเรียนแล้วสุรัตุลมาอาริสเราก็เคยเรียน ล, ล, ละ وال ลี่นะฮ์มฟีอวุลิห์มฮักกุมมัลลุมนะคนที่เป็นมุสลินที่แท้จริงเขาจะจัดสรรทรัพย์สินของเขาเนี่ยเอาไว้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเฉพาะเลยว่าลิซาอิลีวัลมาฮูสําหรับใช้บริจาคให้กับคนที่มาขอและก็คนที่ไม่ได้ขอแต่มุสลิมต้องเป็นอย่างนั้น เป็นคุณลักษณะของอิบาราฮิมอัลอฮุมโตเลลลาอัลลอฮวาบบับมีกําลังใจนะเวลาที่เราอ่านอายะนี้มีกําลังใจที่จะปรับตัวเองนะปรับการใช้ใจ่ายปรับการใช้เงินของตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในเราเราเอาอย่างนี้ให้เราตั้งใจให้ดีว่าเ ว, เวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยขอให้เรารู้สึกว่าเรากาลังทําตามอายะดนี้แล้วมันจะได้บุญ มันไม่ใช่แค่บริหารดุนียนะบางทีอาจจะมองเรียนทำไมเรื่องบริหารการเงินให้พวกคาเฟ่เรียนไปเราไม่ต้องเรียนไม่ใช่ไม่ใช่แค่บริหารดุนียแต่นี่เป็นคําสั่งของอมัสยิดอะลรใครที่เหนียดถูกต้องเวลาที่เขาไปฝากเงินที่สาหกรณ์อิสลามก็ดีตั้งใจให้ถูกว่าเอาไปฝากในสาหกรณ์อิสลามเพราะมันเป็นการเงินระบบอิสลามเงินที่เราไปฝากที่สาหกรณ์อิสลามสาหกรณ์จะเอาไปคำนวณ z ก, กา a ให้กับเรา เราก็ได้บุญจากการที่สากลเอาเงินของเราไปจ่ายกการักษาได้บุญไหมได้บุญเรียนวิธีการจัดการการเงินให้ถูกไม่สุรุยสุร่ายไม่ตรรนีทีเนียวนึกถึงอายัดนี้แล้วเราจะได้บุญจากการที่เราพยายามปรับการใช้เงินของเรานะครับแม้ว่าดูอาจจะเป็นเรื่องดุเนียแต่มันไม่ใช่ดุเนียถ้าเราปรับตั้งใจความตั้งใจเหนียดของเราให้ถูกต้องอิชอัลลอฮ์นะครับใช้อายันี้ให้เป็นนะครับ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترؤ وكان بين ذلك قواما الحمد لله นะอ้อต่อไปน่าจะไม่ทันละอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันในสัปดาห์หน้ากันละกันนะครับเนอายะที่พูดถึงอีกสองสามคนลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน والذين لا يدعون مع الله إلها آخر แ ت นะไม่ฆ่าลูกน้องที่ห้ามของพระองค์ไม่ใช่กครฆ่าลูกน้องทีปป่ห้ามของพระองคนแต่ะวันการกลาลนกน่กงนองบาบ่หบามบบบ้ายแรงองญาก ร, ร่างค์ยม่ไๆ้ิ่าลมกน้องทงงนะี่ห้ามของพร้อง กับเรื uh. ่องต่างต่างเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺวาลาตัลละกำลังจะสอนเราในสุร้อนี้นะครับสูเราทูลถวกรอัลลอฮฺอักบรลิลลาฮิลมลอัลลอฮฺต้าลาอลัมฟันัลลอฮอยาคุลมยฮิบวยรุลลัลลอฮะลนบีนามุฮัมมัดีะ ص ح وسلم سبحان รับบิคารับลัยอิสตอัมมายิฟุน وسلام على ا ل م ر س ي ن الحمد لله العالمين السلام عليكم ورحمة الله ب ر ك